เราตื่นช้าขึ้นมาก่อนที่พระที่จะขึ้นเพื่อที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่อยู่ภายนอกแล้วก็ได้เปิดใจเพื่อที่จะรับรู้ดูความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง ช่วงเวลาเช้าเช้าหรือ ว, ว่าเชา้ามืดนี่ถ้าจากผู้พรัทานบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการปฏิบัติธรรมการเจริญภาวนาเพราะว่าท่านใช้คำว่าแก้วน้ำเนี่ยมันยังว่างสามารถที่ยวเติม ามารที่จะรับอะไรได้อย่างเต็มที่ช่วงเวาตื่นขึ้นมาสมองยังไม่ถึงกับตื่นตัวเต็มที่บรรากาศที่ปรุงแต่งนึกที่ไรต่างๆมันก็มีน้อยก็เรียกว่ามสมองหรือว่าจิตของเรามันก็คล้ายๆแบบแก้วน้าที่ อาจจะยังไม่ถึงกับว่างเปาบาทีเดียวนะแต่ว่าก็ก็มีนานอยู่ไม่มากนะพวกเรามาที่นี่ก็นอกจากพักจากภารติการงานที่มากมายแล้วนะก็ยังเป็นโอกาสที่จะได้ ฟื้นฟูพลังให้กับตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะว่าเราแต่และคนก็มีงานเนยอะและงานที่เราทำนั้นเนี่ยก็ต้องจัเดเป็นประโยชน์ทั้งสิ่งต่ว่าไปแล้วก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ช่วยทำให้เข า, าหายทุก เขมาหาเราด้วยความทุกข์แล้วก็หน้าที่ของเราคือว่าทำให้เขาหายจากทุกข์แล้วก็มีความสุข ก, กลับไปยังครอบครัวยังพี่น้องของเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าทุ่โมรนามาก แต่ขณะดเดียวกันเราก็ต้องวางทีนวางใจให้ดีด้วยกับการทาหน้าที่นี้แเพราะไม่ใช่นั้นเนี่ยเราก็คงมีสภาพไม่ต่างจากพันลมพันลมนี้มันเป็นยังไงทำไมถึงเปรียบเทียบกับอ่า มาจึงเกี่ยวกับพัดลมนะพัดลมนี่มันให้ความเย็นกับผู้คนมันให้ความเย็นไปทั่วห้องเลยนะแต่ว่าตัวมันร้อนนะยิ่งมันทําหน้าที่ทําความเย็นให้กับผู้คนหรือว่าให้กับบรรยากาศแวดล้อมมากเท่าไหร่ตัวมันก็ยิ่งร้อนมากขึ้นร้อนมากขึ้นนะลองไปจับดูนะพัดลมเนี่ย ข้างหลังนะตัวเครื่องวังนที่มันร้อนแต่ข้างหน้านี่หน้าไปพักเย็เนแต่ข้างหลังนี่ร้อน้วนะไม่ได้ร้อนเย็ยๆมังทีส่งเสียงดังด้วยนะก็คงเหมือนกัว่าทําไปก็ปนไปนะทาไปก็ปวไปร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินทุกเหลือเกินนะ เราเปลี่ยนชื่อไปแอร์ก็แปลงเเครื่องปรับอากาศนะเครื่องปรับอากาศมันก็ทําความเย็นให้กับผู้คนนะแต่ว่าตัวมันร้อนและแถมมันยังระบายความร้อนให้กับบรรยากาศรอบข้างอยู่เนะี่ยลองไปยืนอยู่ใก ล, ใกลนะ้เครื่องปรับอากาศดนะูเสียงดังแล้วก็มันก็แผ่ความร้อน มากระทบ ก, กับตัวเราก็เรียกว่าอาจจะร้หนักกว่าพันลมนะพัดลมนี่ตัวมันแค่ร้อนแต่ว่ามันยังไม่ถึงกับพ่นความร้อนใส่สิ่งผู้คนสิ่งวันร้อนมันผู้คนภายนอกเท่าไหร่แต่ว่าแอร์นี่มั น, มนพ่นใส่เล ย, ยคือ มันช่วยให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขมีความสงบเย็นนะแต่ตัวมันนี่กลับร้อนเผาแล้วก็ยังระบายความร้อนใส่คนอื่นที่อยู่รอบข้างด้วยอาจจะได้แก่เพื่อนร่วม ง, งานอาจจะได้แก่คนในครอบครัวก็ได้นะเราทำงานที่โรงพยา บ, บาลก็ช่วยปลดเปื่องความทุกข์บรรเทาความทุกข์ให้กับผู้คนที่ มาหาเราแต่ว่าตัวเราเองนี่กับทุกนะแล้วก็บางครั้งก็ระบายความทุกข์ใส่คนใกล้ชิดนะอันนี้แหละทงเปรียบว่าพวกเราถ้าวัาบางทีก็ไม่ใส่ท่านลมนะแต่ว่าเราไม่จะเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเราสามารถที่จ ะ, ะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ให้เขาได้รับความสุขไกลาจากความทุกข์ในเวลาเดียวกันเราเองก็มีความสุขด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้น่าทำได้กับทุก อ, อาชีพเลยที่เป็นอสัมมาอาชีวะแล้วก็จำเป็นมากสำหรับผู้ที่เป็น แพทย์พาบาลหรือบุคลากรสาธารณาสุขเพราะว่าทำหน้าที่ที่จะอํามอำนวยะโยชส์สุขให้กับผู้คนโดยตรงเลยแต่จริงแล้วนี่มันเป็นมันไม่ใช่เป็นแค่แค่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นนะกับทุกอาชีพนะแต่ว่าควรจะเกิดขึ้นกับทุกชีวิตด้วยถ้าจะเพทาท่าน ได้พูดถึงชีวิตที่ดีนะเป็นการสรุปอย่างกระชับมากแล้วก็อาตมาก็เรียกว่าใช้คาพูดนี้เนี่ยเป็นเป็นหลักในการทำงานการดํนวนรชีวิตท่นใช้ท่านพูดว่าเนี่ยชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ ข้อความสั้นๆนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากแล้วก็มีความหมายที่ครอบคลุมสิ่งสำคัญๆของชีวิตในด้านห น, นึียก็พูดถึงการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนแต่ในรายเดียกันเราก็ต้องมีความสงบเย็นด้วย ีวิธที่ดีเนี่ยมันต้องมีสองอย่างควบคู่กันบางคนเนี่ยทำตัวให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์มากนะแต่ว่าไม่มีความสุขไม่มีความสงบเย็นในใจิตใจเพราะว่าทำงานหนักนะแล้วก็จัวทั่งมีความเครียดมีความกดดัน แล้วก็ไม่รูจักที่จะผ่นคลายถ้าบ่อยครั้งก็ทำให้ร่างกายเจ็บป่วยตามมาทีแรกวก็เครียดกดดันก่อนตอนละก็เจ็บป่วยตัวเองทุกข์นะเพราะว่าช่วยเหลือให้วู้คนมีความสุขมีบางทีก็ก้าวร้าว กลุ่มอกลุมใจอารมณ์เสยเียว่าวุ่นกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้เราว่าเป็นประโยชน์แต่ไม่สงบเย็นส่วนบางคนนี่ก็สงบเย็นแต่ไม่เป็นประโยชน์ก็คือว่าเอาแต่เก็บตัวหลีกเล็่ปฏิบัติธรรมในข้องเกี่ยวกับใคร แล้วก็บางทีก็ไม่ได้ไปรับผิดชอบกับอะไรที่ไหนหลีกเลี่ยงได้ซ้าก็มีความสุขความสบายใจมีความสงบเย็นแต่ว่าไม่เป็นประโยชน์อันนั้นก็ยังถือว่าเป็นชีวิตที่ดีไม่ได้ชีวิตที่ดีนี่ต้องสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านนอกและด้านในด้านนอกคือว่า ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อมนุษย์ด้านในก็สมบเย็นชีวิตที่ดีก็มีทั้งสองมิติที่ที่ถึงพร้อมนะด้านนอกก็เกื้อกูลเมื่อถึงด้านในก็สมบเย็นอันนี้จะเรียกว่าเป็นจุดหมายในการเมือชีพก็ได้ ถ้าใครถามจุดหมายในการดาเนินชีวิตของอตรตมาคืออะไรก็จะตอบสั้นๆแบบนี้ได้ถามว่าเกิดมาทำไมอาจจะตอบยากเพราะว่าเราไม่ใช่หนึ่งตัวกำหนดให้ตัวเองเกิดมาเราไม่ใช่เป็นคนบงการให้หรือเลือกที่จะเกิดมาในโลกนี้แต่ว่าเมื่อเราเกิดมาแล้ว การดำเนินชีวิตนี่มันเป็นหน้าที่ของเราอยู่ในความรับผิดชอบของเราชีวิตเป็นของเราเราก็ต้องก็สามารถที่จะกําหนดได้ว่าจะให้ชีวิตของเราไปทางไหนก็ตอบสั้นๆว่าเนี่ยก็เพื่อความสุขเห็นและเป็นประโยชน์คือให้ผู้อื่นมีความสุขด้วยแล้วเราก็มีความสุขด้วย ไปควบคู่กันนี่จะเป็นประโยชน์ได้อย่างไรเป็นประโยชน์ก็ต้องก็ต้องเริ่มจากการมีน้ำใจคือมีความเมตตากรุณาถ้ามีความเมตตากรุณาก็สามารถที่จะทําตัวให้เป็นประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางจะสมบติจะสมบูรณ์ได้อย่างไรในแง่ของชาบพุทธเนี่ย ชีวิตที่สงบเย็นอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีปัญญามีปัญญาที่ทำให้เข้าใจความจริงของชีวิตเข้าใจความจริงของโลกเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะสามารถสงใจให้เป็นสุขเป็นปกติได้เข้าใจว่าอย่างไรเข้าใจว่ า, าสิ่งที่ปวงมันไม่เที่ยง มันไม่ที่เไรที่ทแท้แน่นอนไม่มีอ่ไที่ยั่งยืนความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาลโลกเนะพราะฉะนั้นเนี่เวลาเกิดความแก่ความเจ็บหรือความตายหรือความสูญเสียก็ไม่ทุกข์พอรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนะที่ทุกข์เนี่ยเพราะว่าใจไปจิ ไปยอยากให้มันเที่ยงให้มันคงทนแตพอเจอความไม่เที่ยงเจอความแปรเปลี่ยนไปซึ่งเป็นธรรมดาของโลกก็เลยทำใจไม่ได้จิตใจก็เลยรุ่มร้อนกุ่ม อ, อกกุ่มใจเป็นทุกข์ พื้นฐานของความทุกคนเราก็เกิดจากอันนี้เองคือความยึดและอยากจะให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันมันเที่ยงมันเป็นสุขมันถาวรหรือผู้อีอยางนีงก็คือว่าไปยึดให้มันเป็นไปดังใจแต่สิ่งทั้งพวงมันไม่ได้เป็นไปตามใจปรัถนาของเรา แต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่ถ้ามีปัญญาเห็นความจริงตรงนี้ว่าสิ่งทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงไม่เป็นไปตามใจเราแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเกิดอะไรเกิดความคามรนันผวนแปลขึ้นมาในชีวิตพบแล้วก็พลาดเจอแล้วก็จากได้แล้วก็เสียขึ้นแล้วก็ลงก็ไม่ทุกกระทม พอรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมดาลโลกมันเป็นธรรมดาอันนี้ก็ทำให้ใจสงบลงได้ไม่รุ่มร้อนไม่ทุกข์ระทมอันนี้พูดถึงความสงบเย็นถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็เพราะการมีปัญญา ปัญญาและกรุณาเนี่ยเป็นหัวใจสาคัญในการที่ทําให้เราได้พบ ก, กับความสงบเย็นและมีชีวิตที่เป็นประโยชน์และกรุณากับปัญญาอย่างที่เป็นองคุณสาคัญของพระพุทธเจ้าที่เราสวดมนต์ทำวันมาสักครู่เนี่ยจะเราสังเกตดูจะมีการพูดถึงพุทธคุณสองประการก็คือพระปัญญาคุณและกรุณาคุณ บัญญาคุนี้ทำให้พรงเนี่ยตัดสรุรรมแล้วหมดทุกข์เพราะว่ายกจิตเบือกิเลสไม่มีไม่มีที่ตั้งให้กิเลสต่อไปจิตใจก็เป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้เราที่ผ่านแต่ขณะเดียวกันโรงก็ได้ทำบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์กับสรรพสัตว์ อันนี้เพราะก ร, ะรุณาคุณคำสอนในพุทธศาสนาทั้งหมดก็มีเพื่อการบ่มเพาะปัญญากรุณาให้เกิดขึ้นแต่ว่าการที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยทั้งสองประการก็ต้องมีธรรมะเขาเอ่ยเข้าไารองรับสนัสนุนเช่นมีสติมีสมาธิมีขันติ หรือว่าบา ร, รมีเนี่ยบา ร, รมีสิบประการเนี่ยบา ร, รมีสิบประการนี้ก็มีปัญญากรุณาอีกแข้อนี้เป็นตัวหนุนตั้งแต่ทานสัจจาอธิษฐานในฆมะขันตนะิอุเบกขาศีลทั้งหมดนี่เป็นตัวเป็นบา ร, รมีแที่ช่วยหนุนให้เกิดปัญญาและกรุณา ใ น, นการปฏิบัติธรรมพุทธศาสนาเนี่ยถึงสุดแล้วก็เพื่อทำให้ปัญญาและกลละรุณาได้เจริญนอกงาใพวกเราเนี่ยนะถ้าว่าเราปรารถนาที่จะมีชีวิตที่สมบเยือกเป็นประโยชน์ก็ต้องอให้ความสำคัญกับคุณธรรมสองประการนี้อันนี้ปัญญาเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วว่ามัน หมายถึงความเข้าใจในความจริงของชีวิตเรื่องแต่นิจจังแล้วก็ทุกขังอนัตตาก็าเจอสิงห์ปูไม่เที่ยงเห็นว่าสิงห์ปูนั้นเนี่ยมันเป็นทุกข์เปทุกในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงว่าบรรยู่ในภาวะที่กดดันขัดแย้งในตัวมันเองมันมีการต่อสู้ภายในซึ่งในนี่นจริงนี่ถ้าเราศึกษาตั้งแต่ศึกษาเรื่องความจริงทางโลกตั้งแต่อะตอมไปถึงจั ก, กรวาลเนี่ย ก็จะเพราะว่ามันมีลักษณะที่เป็นทุกขภาวะอย่างนี้อย่างอะตองเนี่ยมันก็ตัวอิเล็กตรอนนี่มันก็พยายามวิ่งที่จะหนีออกมาจากจากตัวนิวเคลียสแต่มันก็ถูกดึงเอาไว้มันมีทั้งการลั้งและการดึงอยู่ในตัวตัวมันอยากจะวิ่งออกแต่มันถูกดึงเข้าเข้ามามันก็ต่อสู้กันอย่างนั้นแหละ แล้วอิน้ยมันเป็นอะตอมแบบถ้ามันเป็นอะตแบบมอมของพวกสารกำมะตะน้ำสีแล้วเนี้ยการแตกสลออัดอะตอมก็จะง่ายขึ้นมันก็จะกระเด็นออกมานะอิเล็กตรอนกระเด็นออกมาอยู่เรื่อยเยเรียกว่าเกิดการสลายตัวอยู่เรื่อยๆแต่กระาว้าก็เป็นการในด้านนึงมันก็กําลังขยายตัวแต่ในรอยเดียกนก็มีแรงดึงให้มันหดเข้านะแรงดึงก็นั่นก็เรียกว่าแรงน้มถ่วงแต่ว่า ตัวที่มันจะพยายามขยายตัวนี่มันก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆมันมีทั้งแรงดึงแล้วก็แรงมันมีทั้งแรงการทั้งการขยายตัวและการพยายามดึงเข้ามาตลอดเวลาอันนี้ก็เลยเป็นทุกข์แบบหนึ่งน ะ, ะร่างกายคนเราก็เหมือนกันนะมันก็มีความทุกข์แฝงอยู่ตลอดเวลา ในด้านนึงมันก็เสื่อมลงไปแต่ในด้านหนึ่งก็พยายามที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ความตายเกิดขึ้นตลอดเวลากับทุกเซลล์ในร่างกายของเราอันนี้แหละที่ทำให้พระเจ้าตรัสถึงธาวมะอนัตตาอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตน คือมันไม่อยู่ในอำนาจที่ใครจะบังคับบัญชาได้ในความเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่เป็นสิ่งที่สมมติกันขึ้นมามันเป็นเรื่องสมมุติมากเลยความเป็นนั่นความเป็นนี่เป็นสิ่งที่สมมุติกันขึ้นมาความเป็นคนศัสตว์สิ่งของนี่ก็สมมติกันขึ้นมา อย่างง่ายๆอาหารที่มันอยู่ในปากเราอาหารที่มันอยู่ในปากเราเราก็เรียกว่าอาหารแต่ถ้าเกิดว่ามันออกมาอยู่ข้างนอกมันเป็นขยะไปซะแล้วมันเป็นปฏิกูลไปซะแล้วสิ่งที่อยู่ในปากเร า, าที่เราเคี้ยวนี่อร่อยเป็นอาหารแต่พอเราคายออกมาเราไม่เรียกว่าอาหารแล้วเป็นมันเป็นไม่เรียกเรียกว่าขยะ น, น่ารังเกียจไม่อร่อยละ ถ้นที่ก็เป็นสิ่งเดียวกันอยู่ในปากเรียกอาหารอยู่ข้างนอกเรียกว่าขยะให้ความเป็นอาหารมันหายไปไหนตอนที่มันออกมาอยู่ข้างนอกอันนี้การที่เข้าใจเรื่องอัลตาทุกขังอันนี้จังมันก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องเกิดการไต่ตรอง แต่ว่าถึงแม้เราจะยังไม่มีปัญญาที่จะเล็งเห็นเข้าใจถึงไตรลักษณ์ได้แต่เราก็สามารถจะมีปัญญาระดับพื้นพื้ น, พนเพื่อช่วยทำให้ชีวิตเกิดความสงบเย็นขึ้นได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องอาศัยธรรมะเข้าถึงมากํากับด้วยโรือใช้การมองอย่างที่เรียกว่าการรู้จักมองก็ได้ เช่นเวลาเจ็บป่วยเนี่ยท่านละมอนีนแง่บวกให้ความเจ็บป่วยโดยเพราะความทุกข์ใจก็ทุ่นเราลงคนที่พบปะตุวนเป็นมะเร็งนะแต่ว่าแทนที่จะโมโหแทนที่จะโกรธแทนที่เป็นทุกข์ก็กลับดีใจว่าเออโชคดีที่เรา มารู้ตอนนี้เพราะว่ายังอยู่ในขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองยังสามารถที่จะรักษาเยียวยาได้ก็มีคนที่คิดแบบนี้ได้เหมือนกันนะเป็นมะเร็งแต่ว่ารู้สึกว่าโชคดีที่มารู้นะในระยะใกล้ๆยังมีเวลาที่จะเยียวยารักษา หรือว่าเป็นมะเร็งสมองแต่ก็รู้สึกว่าโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกนะในการมองแบบนี้ก็เรียกเป็นปัญญาได้เหมือนกันก็ทําให้จิตมันหลุดจากความทุกข์ในระดับหนึ่งอันนี้เรีาอยู่ในโสดประสิทธการก็ได้การรู้จักคิดรู้จักมองหรือว่าแม่จะป่วย ด้วยโรคนั้นโรคโรนี้แต่ก็ไม่เอาใจไปจดจ่อยอยู่กับความเจ็บความป่วยแต่หันมาชื่นชมสิ่งที่ยังมีอยู่เออฉันยังมีตาฉันยังมีหูฉันยังมีจมูกที่สามารถจะเก็บเกี่ยวความสุขได้ถึงแม้ เลือดฉันจะไม่ดีเพราะเป็นทารสื่อสื่นะแต่ว่าตาหูสมบูรณ้นะร่างกายฉันนีก็ยังทำงานได้สามารถที่จะ น, นำสิ่งดีๆมาให้แก่ชีวิตของฉันได้ก็ก็มีความสุขได้อันนี้เรากเกิดความสงบภจนในใจเวลาเราทำงานเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา เราเปลี่ยนมุมมองหรือว่าวังใจถูกก็สงบเย็นได้เมื่อสองสมัยก่อนก็มีหมอคนหนึ่งก็มาเล่าว่าช่วงนี้นะรู้สึกเป็นทุกข์มากเพราะว่าต้องเปิดคนไข้ ร้อยกว่าคนรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกายนี่ก็เหนื่อยกายแล้วก็เหนื่อยใจถามว่าเหนื่อยใจเพราะอะไรเหนื่อยใจเพราะว่างดเงียบที่ตรวจคนไข้ไม่หมดสักทีปัญหาอยู่ตรงนี้แหละนะก็คือการที่อยากจะให้คนไข้หมดไว ทันทีที่เราอยากจะให้คนไข้เนี่ยหมดไปไวเนี่ยนะใจก็เป็นทุกทันทีเลยเมื่อเห็นคนไข้ ย, ยังนั่งยังยืนคอยอยู่ก็นแน่เข้าไปว่านี่คนไข้จะมากหรือน้อยนะเราก็ตรวจของเราไปอย่าไปสนใจว่า จะมีคนไข้เหลืออยู่เท่าไหร่เราใส่ใจกับคนไข้ที่อยู่ข้างหน้าเราคนไข้ที่คอยอยู่จะมีมากเท่าไหร่ก็นั่นเป็นอีกเรื่องหนึง่งคนไข้หมดตรวจหมดเมื่อไหร่ก็หมดเมื่อนั้นแหละนี่พอเราโตรจเวลาทํางานเนี่ยถ้าเกิดว่าใจเราแทนที่จะอยู่กับคนไข้ข้างหน้านี่ ไปจดจ่อใส่ใจกับคนไข้ที่นั่งยืนรออยู่ข้างนอกเนี่ยไม่ได้เกิดความกังวลแล้วจะเกิดความเมีขึ้นมาว่าไม่หมดสักทีและความกังวลนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยทำให้อะไรดีขึ้น กับทำให้เราเป็นทุกข์หนักกว่าเดิมเหนื่อยทั้งกายและเหนื่อยใจความกังวลไม่ได้มนไม่ได้ช่วยอะไรเลยและที่กังวลคนใจเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันหรือคนไข้ข้างหน้าแต่ใจเราออาไปจดจ่ออยู่กับคนไข้ที่กำลังยืนรอนั่งรออยู่เหนถ้าเกิดว่าเราเพียงแต่ เอาใจมาอยู่กับคนไข้ข้างหน้าส่วนคนไข้ที่รอยอยู่ก็เอาไว้ก่อนไม่ต้องนึกหรืออยากจะให้คนไข้หมดเร็วๆเพราะว่ายิ่งนึกยิ่งอยากใจยิ่งเป็นทุกข์เพราะมันไม่หมดสักทีและพอเร่งจะเร่งมือเร่งตัวเนี่ยก็ยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่ เวลา เ, าเลนเ่งนี่ยเราไม่ได้เร่งที่การกระทําอย่างเดียวใจก็เร่งด้วยเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเนี่ยก็ยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปให่งั้นคือแม่งงานจะเยอะนะแต่ถ้าระวังใจเกินเช่นอยู่กับปัจจุบันให้ความทุกขความหงุดหงิดนะมันก็จะเบาลง อาจจะมีความเหนื่อยกายเป็นธรรมดานะแต่ว่าความเหนื่อยใจก็จะลดลงก็มีบางคนนะมีหมอคนหนึ่งที่แกมีปัญหาคล้ายกันที่จริงก็เป็นปัญหาของหมอแทบทุกคนในโรงพยาบาลของรัฐคนไข้ยเยอะมาก เยวจนกันทั่งตอนหลังเนี่ยคลินิกที่เคยเปิดก็ต้องปิดนะเพราะว่าจะได้มามีเวลาตรวจคนไข้ให้ครบให้หมดนะแต่ก็ยังเหนื่อยเดี๋ยว้วเขาไปรึกษาเพื่อนคนหนึ่งนะซึ่งเป็นหมอเหมือนกันนะเพื่อนคนนี้เขาก็มีประสบการณ์ ก็ผ่านการปฏิบัติธรรมมาบ้างเขาก็เลยแนะว่าก็ให้เอาใจอยู่กับคนไข้ข้างหน้าที่เรากําลังตรวจอย่าไปสนใจคนอื่นซึ่งมันก็ไปตรงกับปัญหาของหมอคนนี้เพราะว่าคนไข้หมอคนนี้เนี่ยเวลาการตรวจคนไข้ชว็จะพวงไปถึงคนไข้ที่อยู่ข้างนอกด้วยบางทีไม่ใช่พวงเปล่าก็ ไปพูดไปเอ็อะบวยวา ย, วายไปไปจัดการกับคนไทยข้างนอกพูดจัดการนะาลุงอย่าเพิ่งมาเสษเอกไปก่อนนะลุงลุงนั่งนั่ ง, น, งนั่งก่อนนะคือไปปยายามไปไปเรียกว่าพุญวายกับคนไทยข้างนอก แต่พอแกเริ่มทําตามคแนะนำนะของเพื่อนจดจอกับคนไข้ที่อยู่ข้างหน้าส่วนคนอื่นนี่ปล่อยอไว้ก่อนจะมากหรือน้อยไม่สนใจจะสนใจแต่เฉพาะคนไข้อยู่ข้างหน้ารากว่าทำแล้วสบายใจขึ้นแล้วกลายเป็นว่าตรวจได้เสร็จไวแต่ก่อนนี่บ่ายสามบ่ายสี่ไม่เสร็จเลยแต่หลังเสร็จไวขึ้น ใบต้นๆก็เสร็จแล้วทั้งเร่อนี้คนคข้ก็เท่าเดิมนะว่ามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงเพราะว่าอยู่ปัจจุบันนะไม่ไปกัวงวลกับสิ่งที่ยัมาไม่ถึงอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาได้เหมือนกันนะก็คือการที่ตระหนักว่ามีแต่ปัจจุบันเท่านั้นแหละที่เราสามารถจะทําอะไรได้ดีที่สุด อะไรที่ยังมาไม่ถึงก็อย่าพิ่งไปห่วงกังวลมากเพราะห่วงตรงวลไปก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันยังมาไม่ถึงอันนี้ก็กตรงกับภาษิต ท, ที่เบนนะภาษิต ท, ที่เบนอกว่ า, วาปัญหาอะไรที่แก้ได้จะ ก, กังวลไปทำไม ถ้าปัญหาแก้ได้นี่จะ ก, กังวลไปทํำไมแต่ถ้าปัญหาแก้ไม่ได้ล่ะก็มีประโยชน์อะไรที่จะ ก, กังวลคือกังวลไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นสุขคือไม่ต้องกังวลทั้งสิ้นนะไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามที่แก้ได้หรือแก้ไม่ได้ถ้าแก้ได้จะ ก, กังวลไปทํำไมถ้าแก้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่เราจะ ก, กงังวลทํามัน การใช้ปัญญาในระดับนี้นมันก็ช่วยทําให้เราได้พบความสงบเย็นได้แต่ว่ามันก็ต้องอาศัยการฝึกเหมือนกันนะการฝึกเจริญสติสมาธิเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยทําให้เราได้พบความสงบเย็นถึงแม้เราจะไม่ยังไม่มีปัญญาเห็นแจ้งสัจธรรมแต่ถ้าเรารู้จักพักใจด้วยการเจริญสติด้วยการทําสมาธิ ในขณะที่รอคนไข้ขณะที่คนไข้คนหนึ่งออกไปคนไข้คนอีกค น, นกําลังเข้ามาเราก็วางทุกอย่างลงแล้วก็ตามลมหายใจมันมีเวลาพักอยู่เสมอมันมีเวลาพักอยู่เสมอแล้วกระทั่งในยามที่เกิดคนไข้มากมายไอ้ช่วงว่างสั้นๆประมาณครึ่งนาทีนี่ก็เป็นเวลาพักได้ มีผู้ดูแลผู้บริกสุดท้ายคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเก่งมากแกมีหลักข้อ น, นึงก็คือว่ามันมีเวลาพักเสมอมีครั้นจะเจอคนไข้เป็นคุณยายซึ่งมีปัญหาเรื่องการหายใจมากหายใจแบบรัวเลยนะหายใจเขาหายใจออกผีมากเลยอกแกนก็เพิ่มขึม้นก็เพิ่มลงมีปัญหาเรื่องการหายใจ แ้าเก็นเหนื่อยมากเลยกับการหายใจถ้าหมอคนนี้แกก็ที่จริงไม่ใช่หมอแต่เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลผู้ป่วยสุดท้ายในฮอสพิตอลแกก็แนะนำคนไข้คนนี้แล้วว่าเนี่ยให้ลองพักดู ใช่วงที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแม้มันจะทียังไงก็ตามมันมีช่วงว่างเล็กๆอยู่ให้พักใจตรงนั้นให้พักตรงนั้นถ้าคนไายซึ่งตอนนั้นก็ทั้งเหนื่อยทั้งทั้งตกใจนะแต่แกได้สติแกก็ทาตามคำแนะนำของหมอขอ ง, ของผู้เชี่ยวชาญคนนั้นนะ แกพยายามใช้ช่วงเวล า, าสั้นๆเล็กๆะระหว่างหายใจเข้าไปก็หายใจออกเนี่ยพักเพระาะดีขึ้นนะมันดีขึ้นทั้งใจมีขึ้นทั้งกายนี่ค่ะคนไข้ที่วิกฤตแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะหาช่วงเล็กๆในการที่จะพักที่จะคลายเพราะงั้นแกก็เลยซื้หลักนี้แว่าเนี่ยการเรื่อง การพักเนี่ยมันมีโอกาสพักเสมอแม้ว่าจะวุ่นวายยุ่งเหยิงแค่ไหนขอให้เรารู้จักใช้โอกาสพักทําจิตให้เป็นสมาธิและในเวลาเดียวกันในเวลาที่เราทํางานเนี่ยเรามีสติมีสติรู้ทันอารมณ์มันเครียดมันมีก็วางรู้ทันความเครียดความมึนรู้แล้วก็วางแล้วก็วางจะไปแบกเอาไว้ เราจะรู้ทางใจที่ฟุ้งซ่านใจที่ไปอยู่กับอนาคตใจที่ไปอยู่กับอดีตรู้ทันแล้วก็วางวางอยู่กับปัจจุบันมันก็ทําให้เรามีความผ่อนคลายได้ในระหว่างที่ทํางา น, นเรียกการทํางานที่ใจที่ปล่อยวางนะก็ทําให้เราเกิดความสงบเกณฑ์ได้แล้วก็ช้านี้ก็อาพูกันทํานี้นะ